ก็สวัสดีพี่น้องนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับโอกาสที่ได้แบ่งปันพระวจนะคำของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายเจ้าจว่าสุดท้ายก็ได้เป็นสัปดาห์สุดท้ายเป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์สุดท้ายของเทศกาลเข้าสู่ธรรมนะคะหลายท่านก็จะได้หนังสือคู่มือภาวนาไปแล้วนะคะหลายท่านในตลอดอ40วันนะคะจริงๆแล้วก็ใกล้จะหมด40วันแล้วนะคะ อาทิตย์หน้าก็จะเป็นปามซันเดย์ก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดเทศกาลเข้าสู่ธรรมก็จะเริ่มต้นเข้าสู่สัปดาห์ที่เรียกว่าสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นะคะเช่นแล้วเนี่ยในช่วงเทศกาลเข้าสู่ธรรมเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราเองเครสะชนเราใช้ในการที่เราจะสํารวจชีวิตของเราสํารวจจิตใจของเราในการเข้าสู่ธรรมก็คือเข้าสู่พระวจนะคำของพระเจ้าชีวิตที่ใคร่ครวญ ถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้านะคะฉั้นวันนี้เองเนี่ยข้าพเจ้าให้หัวข้อว่าเปรโตชายคนบาปเพราะว่าอยากจะให้เราได้มีโอกาสศึกษาชีวิตของเปรโตรนะคะจริงนะเปรโตมีชีวิตที่น่าสนใจเวลาที่เราได้พูดถึงคนที่ทรยศพระเยซูเราก็จะนึกถึงใครคะ ยูดาสใช่ไหมคะยูดาส is cariot ก็คือคนที่ขายพระเยซูนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองดูชีวิตของสาวกทั้งหมดแล้วในเวลาที่พระเยซูถูกจับก็ไม่มีสาวก ค, คนไหนอยู่ด้วยกันกับพระเยซูแต่มีหนึ่งคนที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ว่าปฏิเสธอย่างแข็งขันว่าไม่รู้จักพระเยซู ะะชายคนนั้นเนี่ยก็คือคนที่มีชื่อว่าเปรโต์คำวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วพฤติกรรมสิ่งที่สิ่งที่เราเห็นหรือพฤติกรรมที่ถูกบันทึกเอาไว้เนี่ยถ้าเรามองดูแล้วเปรโตก็ไม่ได้ต่างอะไรกับคนหนึ่งที่อาจจะเรียกว่าทรอยด์พระเยซูบุกก็ว่าได้นะคะอยากให้เราดูคลิปมีคลิปวิดีโอ2คลิปนะคะต้องขอประทานโทษว่ามันเป็นภาษาอังกฤษแต่ด้วยความที่เราอาจจะคุ้นเคย Simon, Simon, indeed, Satan has asked for you that he may sift you as wheat. But I have prayed for you that your faith should not fail. And when you have returned to me, strengthen your brethren. Lord, I am ready to go to prison with you, and even to die with you, Peter. Before the rooster crows tomorrow morning, you will deny three times that you even know me. Will do with this Jesus of Nazareth. Oh, he will get his due, along with all his followers. You were one of those with Jesus the Galilean. I don't know what you're talking about. This man was t h r Jesus of Nazareth. I swear, I don't even know the man. You must be one of them. We can tell by your Galilean accent. A curse on me if I'm lying. I don't know the man. Before the rooster crows tomorrow morning, you will deny three times that you even know me. เปโตรเป็นคนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นสาวกวงไหนในพระธรรมลูกาบทที่2ข้อที่3 1บอถึงข้อที่สบอกว่าซีโมนซีโมนเอ๋ยนี่แนะซาตานขอท่านไว้เพื่อจะฝัดร่อนเหมือนฝัดข้าวสาลีแต่เราอธิษฐานเผื่อตัวท่านเพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้ขาดและเมื่อท่านหันกลับแล้วจงชูกำลังพี่น้องของท่านทั้งหลายเปโตรจึงทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระอง์พร้อมแล้วที่จะไปกับพระองค์ถึงต้องติดคุกหรือตายก็ดีในยอห์นบทที่สิบสข้อที่สข้อที่หถึงข้อที่9้าบอกว่าเมื่อพระองค์มาถึงซีโมนเปโตรเขาทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงล้างเท้าให้ข้าพระองค์หรือพระเยซูตรัสกับเขาว่าสิ่งที่เราทําในขณะนี้ท่านยังไม่รู้เรื่องแต่ภายหลังท่านจะเข้าใจ เปโตรทูลว่าพระองค์ทร ง, ทรงล้างจะทรงล้างเท้าข้าพระองค์ไม่ได้เด็ดขาดพระองค์ตัดกับเขาว่าถ้าเราไม่ล้างเท้าท่านท่านก็จะไม่มีสุท่านก็จะมีส่วนในเราไม่ได้ซีโมนเปโตรทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่เพียงแต่เท้าของข้าพระองเท่านั้นแต่ขอปลดล้างทั้งมือและศีรษะของข้าพระองค์ด้วยมาระโกบทที่สิบสี่ข้อที่สาสาถึงสาสิบสี่ พระองค์ก็พาเปโตรยากรและยอนไปด้วยแล้วพระองค์ทรงเป็นทุกข์นักและหนักพระทัยอย่างยิ่งจึงตรัสกับเหล่าสาวกว่าใจเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงเฝ้าอยู่ที่นี่เถิดเมื่อเสด็จกลับมาพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นพวกสาวกนอนหลับอยู่จึงตรัสกับเปโตรว่าซีโมนเอย๋ยท่านยังนอนหลับหรือจงเฝ้าอยู่สักชั่วโมงเดียวไม่ได้หรือ ท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อจะไม่ถูกการทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังนี่คือขั้เจ้าลำดับเหตุการณ์ในช่วงเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของพระเยซูในการกระทำพันธกิจเปโตรจะอยู่ตรงนั้นเสมอในบรรดาสาวกทั้งสิบสองคนเปโตรหรือว่าซีโมเนจะดูโดดเด่นมากกว่าคนอื่นเหมือนเป็นผู้นาหรือผู้ที่ใกล้ชิด พระเยซูอธิษฐานเพื่อเปโตรเพื่อให้ความเชื่อของท่านไม่ขาดไปเปโตรจะคิดว่าตนเองเปโตรอาจจะคิดว่าตนเองพร้อมแล้วที่จะไปกับพระองค์จะติดคุกกับพระองค์จะตายก็ยอมและเมื่อพระเยซูล้างเท้าให้สาวกเปโตรเป็นคนเดียวที่ดูกระตือรือร้นขอให้พระเยซูล้างทั้งมือและศีรษะด้วยและเมื่อพระเยซูเสด็จไปอธิษฐานในสวนแกเซมานีพระเยซูก็พาเปโตรไปด้วย และบอกให้เขาอธิษฐานแต่พระองค์ไม่ได้บอกให้เขาอธิษฐานเผื่อพระองค์แต่พระองค์บอกกับเปโตร ว, ว่าให้อธิษฐานเผื่อตัวของเขาเองว่าตัวของเขาจะไม่ถูกการทดลองดูจากการบันทึกเรื่องราวและการทำบันญัตของพระเยซูเปโตรก็น่าจะเป็นสาวกคนสนิทเป็นคนที่พระเยซูให้ความห่วงใยมากเป็นพิเศษนอกจากเปโตรจะเป็นสาวกคนที่สนิทแล้ว เปโตรเองก็ยังเป็นสาวกที่ดูใกล้ชิดและแม้แต่เปโตรเองเป็นคนหนึ่งที่ยอมรับว่าพระเยซูเคยทรงเป็นพระคริสต์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่าดูเหมือนกับว่าถ้าในบรรดาสาวกทั้งส2องคนดูเหมือนกับว่าเปโตรเป็นผู้นำเขาน่าจะมีความเชื่อในพระเยซูที่เข้มแข็งมากกว่าคนอื่นๆแต่เมื่อถึงสถานการณ์ที่พระเยซูถูกจับสิ่งที่ทุกท่านเห็นอยู่ใน อยู่ในวดีโอนั่นก็คือเปรโตเองก็ปฏิเสธพระเยซูในพระธรรมลูกาบทที่22ข้อที่51ถึงข้อที่62ได้กล่าวว่าเขาก็จับพระองค์พาเข้าไปในบ้านของมหาปโรหิตประจำการเปรโตติดตามพระองค์ไปห่า ง, างเมื่อเขาก่อไฟอยู่ที่กลางลานบ้าน และนั่งลงด้วยกันแล้วเปรโตก็นั่งอยู่ท่ามกลางเขามีสาวใช้คนหนึ่งเห็นเปรโตนั่งอยู่ในแสงไฟจึงเพ่งดูหน้าแล้วบอกว่าคนนี้อยู่กับคนนั้นด้วยแต่เปรโตปฏิเสธว่าแม่เอ้ยข้าคนนั้นข้าไม่รู้จักสักครู่หนึ่งก็มีคนหนึ่งเห็นเปรโตจึงว่าเจ้าเป็นคนในพวกนั้นด้วยเปรโตจึงบอกว่าพ่อเอ้ยข้าไม่ได้เป็น อยู่มาประมาณอีกชั่วโมงหนึ่งก็มีอีกคนหนึ่งยืนยันแข็งแรงว่าแน่แล้วคนนี้อยู่กับเขาด้วยเพราะเขาเป็นชาวกาลิลีแต่เปโตรทูลว่าพ่อเอ๋ยที่ท่านว่านั้นข้าไม่รู้เรื่องเมื่อเปโตกกำลังพูดอยู่ยังไม่ทันขาดคำในทันใดนั้นไก่ก็ขันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเหลียวดูเปโตแล้วเปโตก็ระลึกถึงคาขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้แก่เขาว่า วันนี้ก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งแล้วเปโตก็ออกไปข้างนอกร้องไห้เป็นทุกข์นะจริงๆเมื่อเราอ่านในพระวจะนะคำํำเราอ่านในพระธรรมตอนนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นภาพชัดถึงการปฏิเสธของเปโตแต่ในคลิปวิดีโอที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นถึงความความปฏิเสธเวลาที่เราปฏิเสธบางสิ่งบางอย่างแล้วปฏิเสธด้วยความแบบไม่ด้วยความมั่นใจ ว่าเราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้จักในคลิปวิดีโอเนี่ยได้บอกว่าเปโตรได้พูดว่าเราไม่แม้กระทั่งรู้จักคนคนนั้นเลยด้วยซ้าเมื่อพระเยซูคริสต์ทานายการเส้นพชนของพระองค์เปโตรเคยทวงติ่งว่าตั้งแต่เวลานั้นมาพระองค์กล่าวสอนสาวกว่าบุตรมนุษย์จะต้องทนทุกทรมานหลายประการ พวกผู้ใหญ่พวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์จะไม่ยอมรับพระองค์ในที่สุดพระองค์จะต้องถูกตึงถูกประหารชีวิตแต่ในวันที่สามพระองค์จะเป็นขึ้นมาใหม่คำเหล่านี้พระองค์ตรัสโดยเปิดเผยฝ่ายเปรโตเมื่อเอามือจับพระองค์แล้วทูลถวงพระองค์จึงหันพระพักดูเหล่าสาวกและติเปรโตว่าไอซาตาจงไปให้ผลเจ้าคิดอย่างคนคิดม่ได้คิดอย่างพระเจ้า จากมาละโกบทที่แข้อที่สบอ็ถึงข้อที่สสและพระองค์ก็เคยทำนายถึงการปฏิเสธของเปรโตด้วยซีโมนซีโมนเอ๋ยดูเถิดขามาสาตาลได้มาขอท่านเพื่อที่จะฝัดดอนเหมือนฝัดข้าวสาลีแต่เราอธิษฐานเผื่อตัวท่านเพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ขาดและเมื่อท่านได้หันกลับแล้วจงชูกำลังพี่น้องของท่านฝ่ายท่าน ฝ่ายท่านจึงทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าคาข้าพระองคพร้อมที่จะไปกับพระองค์ถึงจะติดคุกหรือจะตายก็ได้พระองค์ตัดกับเปโตว่าเปรโตเอ๋ยเราบอกความจริงเราบอกท่านว่าวันนี้ก่อนไก่คันท่านจะปฏิเสธเราท่านจะปฏิเสธว่าไม่รู้จักเราถึงสามครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นกับเปโตไม่ใช่สิ่งที่เปรโตไม่รู้มาก่อน เปโตรไม่เคยคิดว่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์พูดมันจะเกิดขึ้นจริงๆความจริงแล้วคือเปโตรควรจะเข้าใจควรจะเตรียมตัวพระเยซูคริสต์บอกหลายครั้งบอกทั้งการที่พระองค์จะต้องสิ้นพระชนบอกถึงแม้กระทั่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเปโตรเองเปโตรควรจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ แต่อย่างที่ในพระวจะนะคำของพระเจ้าและที่พระเยซูเคยเตือนเปโตว่าจิตวิญญาณท่านพร้อมแล้วก็จริงแต่ร่างกายของท่านยังอ่อนกําลังนักเหมือนเหมือนกับสํานวนไทยที่บอกว่าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาเราวันนี้ข้าพเจ้าเทศนาตอนนี้เนี่ยกับเด็กๆเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจว่าคําว่าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไร แต่เราซึ่งโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วเรามักจะได้ยินคําเหล่านี้เสมอคําว่าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตามันเป็นสํานวนที่กําลังบอกว่าการที่เราไม่ได้สนใจว่าสิ่งอะไรจะเกิดขึ้นแต่พอสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราจริงๆเราก็ต้องเสียใจภายหลังเหมือนกันกันกบเปโตรตอนที่พระเยซูคริสต์ได้พูดและสอนและบอกเปโตรอยู่กับพระเยคต์มาสามปีด้วยกัน พระเยซูกิพูดหลายสิ่งสอนหลายอย่างและเตือนเปนโตเพระเิดกล่าวทํานายการสิ้นผระชนของพระงถึงสามครั้งและบวกกระทั่งการที่ทํานายสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเปรโตเองโดยเฉพาะด้วยแต่เปโตรไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวเองให้พร้อมจิตวิญญาณดูเหมือนว่าจะพร้อมแต่คําว่าร่างกายร่างกายที่ไม่พร้อมมันมีความหมายว่า มันมีความขาดกลัวเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆร่างกายไม่พร้อมที่จะทำตามจิตวิญญาณเพราะว่ามันมีความกลัวด้วยด้วยหลายสิ่งหลายอย่างกลัวว่าจะถูกจับกลัวว่าจะถูกนำไปทรมานเขาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระอาจารย์แล้วก็กลัวว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองด้วยณนะเวลานี้เนี่ยบางครั้งเรา ไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมเราคิดว่าเราพร้อมแต่หลายครั้งเราอาจจะไม่ได้พร้อมอย่างนั้นจริงๆนะคะแต่เมื่อสิ่งต่างๆได้เกิดขึ้นไปแล้วพระเยซูกิตก็ถูกจับไปแล้วเปรโตและสาวกไม่มีใครสักคนหนึ่งถูกจับทุกคน อยู่รอดปลอดภัยในขณะที่พระเยซูเคยถูกตรึงบนไม้กางเขนและถูกฝังอยู่ในอุโมงค์และวันที่สามที่พระเยซูเคยทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายเป็นจุดที่สําคัญเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของสาวกอยากให้ดูคลิปวิดีโอสุดท้ายด้วยกันนะคะ Simon, son of Jonah, do you love me more than these? Yes, Lord. You know that I love you. Then feed my lambs. Simon, son of Jonah, do you love me? Yes, Lord. You know I love you. Then take care of my sheep. Son of Jonah, do you love me, Lord? You know everything. You know that I love you. Then feed my sheep, and follow me. ยูคริตปรากฏกับสาวกแล้วก็ปรากฏกับซีโมนเปรโตและเมื่อพระองค์ตัดกับซีโมนแล้วเวลาที่พระเยซูกิตตัดกับซีโมนที่เราเห็นอยู่ในคลิปและในพระวจนะคำของพระเจ้าพระองค์ไม่ได้ตัดกับซีโมนทั่วๆไปแต่ในพระวจนะคําบอกว่าซีโมนบุตรยอนเอย๋ยเจ้ารักเรามากกว่าเหล่านี้หรือเขาทูลพระองค์ว่าเป็นความจริงพระเจ้าค้า พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตรัสกับเขาว่าจงเลี้ยงดูแกะของเราเถิดพระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สองว่าซีโมนบุตรยอนเอ๋ยเจ้ารักเราหรือเขาทูลพระองค์ว่าเป็นความจริงพระเจ้าค่าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตรัสกับเขาว่าจงดูแลแกะของเราเถิดและพระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สมว่าซีโมนบุตรยอนเอ๋ย เจ้ารักเราหรือเปโตรก็เป็นทุกข์ใจที่พระองค์ตรัสถามเขาครั้งที่สามว่าเจ้ารักเราหรือเขาจึงทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข่าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระเยซูกิดัดกับเขาว่าจงเลี้ยงแกะของเราเถิดเราบอกความจริงแก่เจ้าว่าเมื่อเจ้ายังหนุ่มเจ้าคาดเอวของเจ้าเองเดินไปไหนๆตามที่เจ้าปรารถนา แต่เมื่อเจ้าแก่แล้วเจ้าจะเหยียดมือของเจ้าออกและคนอื่นจะคาดเอวเจ้าพาเจ้าไปในที่ที่เจ้าไม่ปรารถนาที่จะไปพระเยซูคริสต์เฉพาะจาเพาะเจาะจงที่จะตัดสิ่งเหล่านี้กับเปรโตคําว่าเปรโตบุตรยอนเอ๋ยเหมือนเรียกชื่อเราพร้อมกับนามสกุลคนในคนอิสราเอลในสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มีนามสกุลฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจะเรียกว่า ชื่อคนนี้เป็นลูกของใครฉันแล้วเนี่ยการที่พระเยซูกิตบอกว่าซีโมนบุตรยอนเอ๋ยคือการชัมพาะเจาะจงและพระองค์ตรัสกับซีโมนและถามซีโมนถึงสามครั้งเราเห็นท่าทีของซีโมนในคลิปวิดีโอถ้าเรามองเรื่องราวทั้งหมดต่อกันคนที่เคยปฏิเสธพระเยซูิตถึงสามครั้งและเขาไม่มีโอกาสได้แก้ตัว ในพระธรรมีในพระธรรมลูกาบทที่22ข้อที่62บอกว่าเมื่อเปรโตระลึกได้ถึงสิ่งที่พระอาจารย์เคยบอกเขาออกไปร้องไห้แล้วเป็นทุกข์นักเป็นทุกข์เพราะว่าพระอาจารย์ที่เรารักแต่วันนี้เราได้ทรยศเขาไปแล้วและมันเรียกเวลานั้นกลับคืนมาไม่ได้ซีโมนแทบจะไม่กล้ามองหน้าพระเยซูคริสต์ด้วยัม แต่ในที่สุดแล้วพระเยซูคริสต์ตรัสกับเปโตรถึงสามครั้งเพื่อจะให้เปโตรได้มีโอกาสได้บอกรักพระองค์ถึงสามครั้งเช่นเดียวกันและทุกครั้งที่พระเยซูคริสต์ถามเปโตรว่าเจ้ารักเราหรือเปโตรบอกว่าพระองค์ทรงรู้ว่าข้ารักพระองค์มากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างและสิ่งหนึ่งที่พระเยซูคริส พี่เยซูิไม่ได้ต้องการแค่ให้ซีโมนบอกรักพระองค์แต่พระองค์บอกว่าถ้ารักพระองค์จงเลี้ยงดูกแกะของเราเถิดท่าทีของซีโมนต่างไปจากเดิมมากเพราะว่าในเวลาที่พระในเวลาที่พเยซิอยู่ในอุโมงค์เวลาที่พระองค์ทรงถูกตรึงและอยู่ในอุโมงค์ถึงสามวันมันเป็นเวลาที่เขาเองได้ใคร่ครวญชีวิตของตัวเอง เป็นช่วงเวลาแห่งการที่เขาต้องกลับใจช่วงเวลาที่เขายอมจำนนและยอมรับว่าพระเยซูคริสสิ่งที่พระองค์ทรงบอกทั้งหมดมันเป็นความจริงพรงจํจำเป็นต้องให้ซีโมนผ่านสถานการณ์นี้เพราะว่ามันความยากลำบากหรือความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นทำให้ซีโมนได้เรียนรู้ว่าชีวิตของเขาต้องการพระเยซูคริส มากกว่าที่เขาเคยคิดเอาไว้เสมอหลายครั้งเวลาที่เราอยู่กับใครสักคนหนึ่งที่เรารักเหมือนบางครั้งเราอยู่กับพ่อแม่เราบางทีเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าพ่อแม่เราเป็นคนสำคัญในชีวิตของเรามากแต่เมื่อใดก็ตามที่คนที่มีความสำคัญในชีวิตของเราได้จากเราไปเวลาที่เราระลึกถึงเขาเราจะระลึกได้ว่าชีวิตของเราจาเป็นต้องมีเขามากแค่ไหน ซีโมนเปรโตได้เรียนรู้ว่าชีวิตของเขาต้องการพระเจ้ามากกว่าสามปีที่เขาอยู่กับพระองค์และนี่เองสิ่งที่เปรโตได้กล่าวเอาไว้ใน2เปรโตบทที่2ข้อที่14ว่าพระองค์ได้ทรงแบกรับบาปของเราไว้ในกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปและดําเนินชีวิตตามคลองธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์ ท่านทั้งหลายได้รับการรักษาให้หายเพราะท่านทั้งหลายเป็นเหมือนแกะที่พลัดฝูงไปแต่บัด น, นี้ได้กลับมาหาพระผู้เลี้ยงและผู้พิทักษ์จิตวิญญาณของท่านทั้งหลายในพระธรรมสองในพระธรรมลู ก, กาบาที่ี่ส2ข้อที่สิอ็ดเนี่ยพระเยซูคริสต์ได้บอกว่ามารเนี่ยซาตานได้ขอท่านเอาไว้เพื่อจะฝัดร่อนท่านเหมือนฝัดข้าวสาลี จริงๆแล้วช่วงเวลาที่เปโตรปฏิเสธพระเยซูคริสต์คือช่วงเวลาที่เปโตรเองถูกฝัดร้อนและสิ่งหนึ่งเมื่อพระเยซูคริสต์บอกว่าแต่เราอธิษฐานเผื่อท่านเพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ขาดไปและเมื่อท่านหันกลับมาแล้วจงชูกําลังพี่น้องของท่านพระเยซูคริสต์เองนอกจากทํานายการปฏิเสธ พระเยซูยังทํานายถึงการที่เปโตรจะหันกลับมาหาพระเจ้าเหมือนกับข้าวที่ถูกฝัดดอนเวลานี้เมื่อหันกลับมาแล้วพระเยซูบอกว่าความเชื่อของท่านจะไม่ขาดไปและเมื่อความเชื่อของท่านไม่ขาดหน้าที่ของท่านคือการชูใจพี่น้องคือการมีคือการเลี้ยงลูกแกะขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปโตรกล่าวทุกอย่างจากประสบการณ์ในชีวิตของท่าน ท่านเอาชีวิตเดิมของท่านตรึงไว้กับพระคริสต์เปรโตชายคนบาปได้ถูกตรึงชีวิตของเขาไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูคริสต์ได้เยียวยาบาดแผลในชีวิตของท่านท่านเองก็เป็นเหมือนฝูงแกะที่พลัดไปแต่วันนี้พระคริสต์ได้นําเปรโตกลับบ้านกลับมาและพิทักษ์จิตบิญยาณของท่านและนั่นเองตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ชีวิตของเปโตรก็อยู่เพื่อที่จะทําพันธกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริส ต, ต์ตรัสว่าคนเจ็บต้องการหมอแต่คนสบายไม่ต้องการเราเราไม่ได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบธรรมแต่เรามาเพื่อจะเรียกคนที่เรียกว่านอกรีตพระเจ้ามาเพื่อที่จะช่วยคนป่วยและคนบาป เช่นเปโตรและก็เราทุกคนไม่มีใครในที่นี้จะบอกว่าเราเป็นคนที่ชอบทำแล้วเพราะว่าเรายังคงทำบาปทุกวันบางครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตของคริสเตียนเราเองต้องระมัดระวังให้ดีเพราะบางครั้งเราคิดว่าชีวิตของเราเนี่ยสูงส่งกว่าคนอื่นแต่หลายครั้งชีวิตของคริสเตียนเป็นคนเป็นเหมือนกับชีวิตที่เรา เหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ข้างนอกแต่ข้างในยังไม่ได้รับการชำระให้สะอาดเราจำเป็นที่จะต้องเอาชีวิตเวลาที่พระเจ้ามองดูชีวิตของเราพระองค์ไม่ไ้มองสิ่งที่อยู่ข้างนอกแต่พระองค์มองเราต้องเปลยชีวิตของเรากับพระเจ้าไม่ว่าเราจะบอกหรือเราจะไม่บอกพระเจ้าว่าชีวิตของเราทําสิ่งใดที่ไม่เหมาะสมบ้างแต่พระเจ้ารู้ดีไม่ต้องรอให้เราบอกพระองค์ แต่ทำไมเราจะต้องสารภาพความบาปของเรากับพระเจ้าอยู่บ่อยครั้งเพราะว่าเราจาเป็นที่จะต้องยอมและเปอยชีวิตของเราเองกับพระเจ้าเพื่อว่าพระเจ้าจะได้รักษาชีวิตของเราเพื<ฮ>่อว่าพระเจ้าจะได้รับการชำะระ เ, เราจะได้รับการชำระจากพระเจ้าเราจาเป็นที่จะต้องอธิษฐานเพื่อจิตวิ ญ, ญญาณของเราเองที่จะเข้มแข็งและร่างกายหรือฝ่ายเนื้อหนังของเราจะแข็งแรงในพระเจ้าด้วย จริงๆแล้วฝ่ายร่างกายก็คือความกลัวความขาดความโลภและสิ่งต่างๆที่มารสามารถทำได้ในชีวิตของเราอย่าลืมว่ามารเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้แล้วคนที่มันจะกัดกินได้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคนที่ไม่เป็นคริสเตียนมีหลายครั้งที่คริสเตียนเองก็ถูกมารกัดกินชีวิตของเขาเช่นเดียวกันเพราะว่า เขาอาจจะคิดว่าชีวิตของเขาดีอยู่แล้วชีวิตของเขาเข้าใกล้พระเจ้าอยู่แล้วจริงๆแล้วเราเองต้องเอาชีวิตของเราติดสนิทอยู่กับพระเจ้าเพื่อว่าเราเองจะได้มีความมั่นใจว่ามารซาตานไม่สามารถที่จะกัดกินชีวิตของเราได้และเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นคนบาปและยอมให้พระเจ้าชำระล้างชีวิตของเราในช่วงเวลาแห่งเทศกาลเข้าสู่ธรรม ไม่ใช่เป็นช่วงเวลาที่เราจะรู้สึกว่าเราได้รับการชําระจากพระเจ้าแต่เป็นช่วงเวลาที่เราสํานึกในความผิดบาปของเราช่วงเวลาที่เราสงวนชีวิตของเราให้อยู่จำเพาะพระพักของพระเจ้าใช้เวลาในการอ่านพระวจนะคำของพระเจ้าให้มากขึ้นดูและสํารวจว่ายังมีส่วนไหนในชีวิตของเราที่เรายังไม่ได้ให้พระเจ้าชําระล้าง เราจําเป็นที่จะต้องเอาชีวิตของเราอยู่จําเพาะพระพักของพระเจ้าและยอมให้พระเจ้าฝัดร่อนชีวิตของเราเพื่อวันหนึ่งเราจะแบกความตายของพระเยซูคริสต์อยู่ในกายของเราเสมอเพื่อว่าชีวิตของพระเยซูจะปรากฏอยู่ในกายของเราด้วยเพราะว่าพวกเราที่มีชีวิตอยู่นั้นต้องถูกมอบไว้แก่ความตายอยู่เสมอ เพราะเห็นแก่พระเยซูเพื่อว่าพระชนชีพของพระองค์จะปรากฏอยู่ในเนื้อหนังของเราซึ่งจะต้องตายนั้นเหตุฉะนั้นความตายจึงออกฤทธิ์อยู่ในเราแต่ชีวิตกำลังออกฤทธิ์อยู่ในท่านทั้งหลายเราทุกคนจะต้องผ่านขั้นตอนจะต้องผ่านโปรเซสแบบกระบวนการแบบเดียวกันกับที่เปโตผ่านเปโตเป็นคนที่เป็นสาวกวงไหนเป็นสาวกที่ได้ยิน และรู้จักพระวจนะของพระเจ้าช่วงเวลาที่เขาล้มลงเมื่อเขาปฏิเสธและมาถึงเวลาที่เขากลับใจใหม่ชีวิตคริสเตียนเองก็จำเป็นที่จะต้องกลับใจใหม่กับพระเจ้าอยู่เสมอเพื่อว่าเมื่อเราล้มพระองค์ก็จะชุดเราขึ้นและเปลี่ยนเราเป็นคนใหม่คนใหม่ที่มีชีวิตอยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเราต้องสานึกในความบาปและกลับใจเพื่อว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนเราเป็นคนใหม่ เป็นคนที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะเป็นได้แต่ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าเมื่อไหรก็ตามที่เรายอมมอบชีวิตของเราอยู่ในพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะชอบชีวิตใหม่ของท่านมากกว่าชีวิตเดิมและวันนั้นแม้ว่าเราจะเป็นคนบาปแต่พระเจ้าตายเพื่อเราและวันที่เราอยู่จําพาะพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปรเยสุคริตจะบอกว่าเราชอบชีวิตของเจ้ามาก และเราก็ดูจากเจ้าด้วยขอพระเจ้าอวยพ ร, พรค่ะ